50 languages. หร้านค้า கடைகள் เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาน้องกอลวุรุเบ ட ் ட ு சாமான் கடை தேடிக்கொண்ட ด ர ு க ் க ி ற ோ ம ் เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อน้องเกิลวูร ச ் ச ி க ் கடை தேடிக்கொண்ட ด ர ு க ் க ி ற ோอ்เรากำลังมองหาร้านขายาาาาขายาน้องเกิลวูร์มารันด์กกระไดเตะดิคุนด์ยิรเราต้องการซื้อลูกฟุตบอลน้ลงองเกิลวูร์คอลพันด์วังกับเวนด เราต้องการซื้อซาลามีน้องกันซาลามีวังกเวนดมเราต้องการซื้อยาน้องกัมารุนด์วังกเวนดเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอลน้องกันคลพันดว์วังกูรีบเลียอซามอนคดัยเทิดกีโดม เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามีเรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยาเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ น้องโว้ยนักเก็งคดีเทดีคุณดีริกีเร้นดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพน้อ u โว้ยผู้กัยพัดอุบัติการณ์นั k คดีเทดีคุณดีริกีเร้นดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานน้องโว้ยมิตรใจคดีเทดีคุณดีริกีเร้น อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน non w o โม m ิร e m วางกันในเครื่องอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ non wood f i l โร o l l วางกนันในเครเ่องอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก non wood cake วางกนันในเครื่ ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนนนวุลโมดิรัมวังเกวุลนกย์คดย์เทดีคุนดย์ยิริกิเรลดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์มวุลฟิล์มโรลวางเกนนวุลปุกย์ปะดะอุบะการันต์คดย์เทดีคิเรลดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก நான் ஒரு கேக் வாங்கு ஒரு மிட்டோய் கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன்.